ถูอจงวัชก่อนเอ้ยผู้เทศและจคอยคอยเออจบเอ้ยอาตั้งใจให้ดีวันนี้วันออกปัญษาได้สวยฟังเทศตั้งใจให้ดีนาโม ต, าาา ต, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะชุชุังระติปัญญา วางมาแล้วว่าให้ตั้งสัจจะในใจของตนมันขาดตกบกพร่องอะไรว่าในชีวิตในปัจจัยในพันสานี่ของตนทุกๆคนจงคิดนึกได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่ให้เดืขาดหรือว่าสัจจะ ในการข่าเคยโกรธและล้มโกรธอยู่ทุกวันตลอดไปอย่างนี้หรือว่าชัดจะฆ่านอนแล้วขั้นฆ่าแฉงฉว่าของพระอาทิตย์ไม่ขึ้นมาข่าก็ไม่ยุกอันนี้ชัดจะของสุเจ้าทั้งหลาย มันเป็นนักชัดจาะชัดจาะที่ไม่ดีพอฉะ น, นั้นในการฟังเทศมาในพัรษานี้ชุดตะแเลว่าการวังคิตตะกเพื่าคิดอ่านริดเจนาในชีวิตของตนทุกๆคน คิดอ่านว่าข้าเคยกินเหล้ามาทุกวันต้องกินทุกวันข้าเคยล่องลำคับเพ่งก็ต้องเอาทุกวันไมตาดคิดอ่านให้ดีตนของตน <c oughs> อันทางมันเป็นหีนะนักหวังอันนี้เพิ่งเลกว่า ผึกผลกันมาตั้งแต่นเกนกระชากการคิดการอ่านการเล่นการสนุกการเพิดเอิม <c oughs> อันจิงที่เพิ่มเติมความชัว่วให้เจิบจิตเหมือนกับควายมาันกินหญ้าแล้วูร้อนมันร้อนมาแล้วมันก็วิ่งไปหา แม่ที่ต้งทีดโคนขี่ตะโลให้มันโอบร่างกายของมันให้เย็นไปชั่วคาว <c oughs> นี่ฉันในชุดเจ้าทั้งหลายก็หาเพิ่มแต่ความชัว่วเหมือนกับควายเพิ่มที่ต้มมีแต่เรื่องของสกปรก ให้เกจิของตอนอยู่จนตลอดปัตยอันนี้ละพนเนกว่ามันชักสมหนทางไปทางต่ำควายแม่พิดต้มควายนั่นหอมนะควายท่าท่ากินหญ้าอ่อนนอนน้ำใสอ้วนสมบูรณ์ดีนี่ให้เราคิดนึก ตัวของเราอัานเพิ่มความชั่วให้จิตจิหน้าที่ของตอนนั่นเองจะได้ไปสู่ความทุกข์ตลอดไปพ้นมาแล้วนานจักทรานเท่าไรจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เพิ่มความชั่วอีกเล้า ก็ต้องไปชูความทุกข์อีกอย่างเก่าอันนี้เนาะพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกกว่าที่ได้สำเร็หมกผลส <c oughs> ูกที่ตายทับถงในโลกในแผ่นดินอันนี้ใหญ่เท่ากันกับภูเขาลูกที่ย่อมย้อมลูกหนึ่ง กระดูกเป็นสัตว์กระดูกเป็นมนุษย์ที่ตายเกิดตายเกิดในโลกตลอดกันไปสินนี้อันนี้แล้วก็เนกว่าคือตนของตนไม่ได้แก้ไขอะไรที่จะให้ตัวของเหล่านั้นเห็นหนทางแห่งความทุกข์ <c oughs> มีแต่เรืตนของตอนเพิ่มเติมแต่ความชั่วให้จิตจิตตนของตอนนั่นเองชีวิตวันเดี๋ยวนี้หนึ่งการกินอิน้หนำสำลามอันนี้บุญกุศลการสนุกสนามล่าเริงอันนี้เป็นบุญกุศลอันนี้เป็นเรื่องความเห็นของตอน ด้วยความมืดบันดลบันดามใจอยู่ตลอดสิมิ๊งไม่เหมือนบันดิตบันดิคตคนตั้งใจวานพะคะฝนเยนความชัว่วดใดทุกอย่างตั้งใจทําความดีของตนของตน สองที่เกิดมาพบปะบันฑิตในชีวิตของตนแล้วสะสมแต่ความดีตลอดไปเป็นนิดอันนี้เท่นั้ว่าเพิ่มความดีให้เกิดจิตของตนวันเดียวนี้ตัวของมพวกเราทุกๆคนเกิดมาเป็นมนุษย์ ในพบว่าล้วศาสนาของพุทธเจ้าโพตมะที่ได้วางพระศาสนาไว้ในโลกพุทธองค์เห็นแล้วว่ามนุษย์เทวดาเปรตสีสัตว์สิงเดือสามประการใดตัวที่มีนิสัยปัจจัย ในพบปะแล้วเขาจะได้ตั้งปกตั้งใจทํากาอยกรรมวาติกรรมมนกรรมวัตถุกรรมประการใด <c oughs> <c oughs> เขาจะได้ตั้งใจของเขาจะได้เป็นผลประโยชน์เป็นหนทางไปสู่ความสุขจะได้ใกล้ต่อไปหนทางไปสู่พระมิตราเราจะถากคด เมื่อยังเป็นบุตรชนได้ตั้งใจสักสงความดีกันมาพบปะพุทธเจ้าพระลาหันทั้งหลายประเจกขพุทธะพฤศียูทีประการใหๆใหได้ตั้งอกตั้งใจของตนตลอดที่สุดได้มาเป็นพุทธเจ้าโพ้มะ จึงได้รู้จักเขา ว, ว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ยามเป็นบุตรชนห <c oughs> น้าที่จะได้พบปะธรรมะของบัณฑิตเขาจะได้รับผลความดีในชีวิตของเขานี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกเดี๋ยวนี้ชีวิตของพวกเราได้พบปะแล้วธรรมะของกุฏะเนือ การที่รักษาเว้นจากความชั่คือสินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยยี่สิบ็ดสินนอกปาติโมกศินอภิชมาจารสามพ0 0าร้อยตัวอันนี้เป็นว่าเป็นเครื่องกลางกั้นเหมือนกับเราทำนาแล้วมีรั้วเหมือนกับเราปูกบ้านแล้วมีฝาเรือน เหมือนกับเราลุกมาแล้วนุ่งผ้าผมผ้าปกปิดร่างกายกันอันตรายใจใๆทุกอย่างในชีวิตสองวัพถากถาที่พุทธองค์ที่ดินวางไว้ที่บอกหนทางไปสวรรค์ที่บอกหนทางไปนรกที่บอกหนทางไปสินสี ที่บอกหนทางไปกินเทวดาที่บอกหนทางไปกินมนุษย์ที่บอกหนทางไปกินสัตว์ที่บอกหนทางไปนรกที่บอกหนทางไปสวรรค์ที่บอกหนทางไปสู่อวิชชีที่บอกหนทางไปขุมมรรค ที่บอกหนทางในการเกิดที่บอกหนทางใ้ไปสู่ปริตภาณฑ์ไม่มีการเกิดโลกอันนี้มีชีพมลโลกมีการเกิดการตาดเทวโลกมีการเกิดการตามนุษยโลกมีการเกิดการตัดเปตโลกมีการเกิดการตาด อันนี้เป็นาะโลกธรรมสีมีการเกิดตายพระนิพพานแปลว่าองค์พระธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่มีการตายอีกต่อไปใจหมดแล้วจากความชั่วดใดๆก็อยู่กับรูปขององค์พัทธธรรมเหมือนใจอยู่กับร่างกายของพวกเราบัดเดี๋ยวนี้เองอันนั้นแปลว่า เมดความชั่วใดๆเมดความจะตายใดๆเมดความทุกข์ใดๆไม่มีอีกต่อปัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราเกิดมาได้พบปะแล้วธรรมะของพุทธะให้คิดอ่านแก้ไขตนของตนจะได้เป็นผลประโยชน์ให้ชีวิตของตนสวรรค์ยังว่างนะอย่าว่าติดนะไม่เจ็ม ไปได้นรกว่างนะนรกนั้นไม่เจ็บไปได้นี่ให้เราทุกคนจงคิดนับคิดนึกในตัวของเราเปรตทั้งหลายมากกว่ามนุษย์นรกเปรตนรกมากกว่ามนุษย์ผีทั้งหลายมากกว่ามนุษย์สัตว์เดือดสารมากกว่ามนุษย์ ชาวฉวนมากกว่ามนุษย์คมมโลกมากกว่ามนุษย์มีจำนมนุษย์เราน้อยก็พ้นหมดเป็นหมู่น้อยที่สุดเพราะมนุษย์นี้ทขาในเกิดมาแล้วเป็นบอกเกิดแห่งความดีเป็นบอกเกิดแห่งความชัว่วผู้ที่เจะไปสู่ฉวร์จากมนุษย์ ผู้จะได้ไปสู่ภูมโลกจากมนุษย์ผู้ที่จะไปนรกจากมนุษย์ผู้จะไปเป็นเปรตเป็นผีจากมนุษย์ผู้จะไปเป็นสัตว์สารจากมนุษย์มนุษย์นี่เป็นบ่อกเกิดแห่งความดีเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่นี่ให้ตัวเราตรงทิศนึกชุดตะเปรีกการความ ฟังแล้วมีปัญญาฟังแล้วให้คิดอ่านฟังแล้วให้ตั้งใจรักษากายกรรมวาจีกรรมโนกับวัตถุกับอันให้เป็นกรรมความดีคือกุศลากับจึงจะเป็นผลประโยชน์แก่ตัวของพวกเราทุกๆคนเราทุกคนเจตนาหาความสุขนะไม่ใช่หาความทุกข์ เมื่อเราจะมาเกิดตัว่าจะมาสร้างบํเบาเพ็ญบารมีเพิ่มเติมความดีให้จิตจยุดของตนก็ได้พบว่าพุทธเจา้าองศ์ต่อมาภายข้างหน้าเราจะได้เพิ่มอันใหญ่ตัวที่สุดได้พบว่าพุทธเจ้าแล้วจึงจะพ้นพาการมาเกิดตัวแล้วทำไมมันยังหลงหลงแล้วที่นิสัยปัจจัยของพวกเรา ได้พุดผลจะชิงที่ความชั่วตลอดกันมาจึงไม่ขึ้นชั่วทำเชิงเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่จนตลอดกันมาแต่อเนกชาให้เราคิดนึกที่เราพรู้พวะททำไมยังเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความอยากได้แล้วก็วิ่งเต็ไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวัน ขอได้รับเถอะขอให้ได้รถอมันต้องดิ้นอยู่จนตลอดกันปัดอันนี้พระเราฝุดผลกันมาตั้งแต่ปุรกระแสเราเกิดมาในโลกจนนับไม่ได้แล้วพุทธเจ้าจึงไม่วางไว้ว่ากระดูกเท่ากันกับภูเขาหูกหนึ่งเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ขันธถ้ามันไม่เพราะไม่ทำ แต่ว่ามันเป็นดินต่อไปหายกันไปสมุดเลือกนี่ให้เราทุกคนจงติดนึกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าอาดีตของตอนมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วเราได้ไม่รู้เฉพาะความชั่วเหมือนกับควายเอาที่สงเปรกร่างกายของมัน มันมืดหนาเข้าไปตลอดเป็นนิดจิตของเราไม่สว่างก็ไม่รู้จักอดีตของตอนความเป็นมาประการใดความสว่างขึ้นแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนอันนั้นในแก่พวกฤๅษีอยู่ที่อจิตตัญญาณ น, นากตัญญานปัจจุบันายากฤๅสีเหล่านี้แปลว่าไล่ความมืด ให้ความสว่างเกิดขึ้นในจิตของตนเพราะฉะนัะ้นให้เราทุกคนจงทิดเนื้อตัวของเราอันจะเกิดต่อไปภายสัมนาอยากเข้าจใจว่าไม่ได้เกิดอยากเข้าเาจริญโลกหน้าไม่มีอย่าไปถือที่อจลระกะอจิระกะนั้นโลกหน้าไม่มีในขั้งเมื่อพุทธเจา้าของเรายังมีชีวิต อาจารย์ตัวใหญ่ของเขานิคันตะบุรเป็นลูกหมอมเจ้าของเมืองเวชลีสนชัยเวชบุตรเป็นคนสารเสือลำแผนแปลวจับตอกไม้สามเป็นแผนชานอนให้เก่คนคนทุกคนอยากซื้อออกไปหูนอนมันนอนดนิ้ มันเอาอันนี้ละปูแล้วกันนอนปูราคชปะเป็นคนปั้นหม้อขายะ ก, กูลของมันวัตรฤทธิโคสารเป็นคนใช่เลี้ยงโคให้เขาถือชิงของไปในตลาดให้เขาเปิวัริ ก, กรรมพลปกกูกระจานะ โกนี่เป็นลูกของคนที่ถือและติอันที่ไ ม, ม่มีประโยชน์อะไรท้งนั้นอันนี้ละเขาว่าโลกหน้าไม่มีบุญไม่มีบาปมันมีนรกไม่มีสวนไม่มีเปรตไม่มีสีไม่มีเทวบุตรเทวดาไม่มีตายแล้วก็ละลายไปเหมือนควันบุหรี่ทึนตองฟ้าอันที่เกิดมานี้ ถ้าผสมกันเข้าแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นกันทีเมื่อวิญญาณนี้แตกออกไปแล้วก็ละลายหายไปหมดอันนี้แห ล, ละลัทธิของอเจีรกกะคําว่าอาจีรกกะแปล ว, า ว, าวาา่าไม่นุ่งผ้าไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายผ้าไม่นุ่มเมื่อเวลามันจะขอทานบินทบาท มันเอาโกกรโลกลมะพร้าวปิดทาวารมันทางผู้หญิงผู้ชายมาถึงที่อยู่ของมันแล้วแท่ออกไว้ทิ้งเขา้าทิ้งฟ้าตะปอยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้ระแนกว่าโขกโกหกโขกมุสาวายักยอกล่อลวงบุคคลอื่นหาเลี้ยงชีวิตของตน ในศาสนาพุ้ติกอาู่ทุมุตลูสัตตาโลชาวบ้านอยากโยมทั้งหลาย ต, าตาา่างคนต่างถือดาบกันะขอเห็นจิระกะมาแล้วก็ไล่ควนฆ่าทิ่งหมดเลยเขาว่ามันเป็นคนล่อลวงคนยอยากเกี่คนหากินกระโปรงอีกคนยุกแย่ให้คนรุ่งหลงงงมงายจนตลอดที่มันพ้นจากคมดาบเขาหลายสีหลา ย, ลา ย, ลายวันเขา พุทธเจ้าองค์นั้นพักวิญญาอายุยืนแสนปิก็พ่อมพาคันหนีเข้ามาไหว้พุทธเจ้าขอช่วยเอาชีวิตได้ถอนขอให้ได้พ้นจากคมดาพุทธเจ้าเออสูนุ่งผ้าไปนุ่งผ้าแล้วให้มีลักถิ่นห้าเถอนะมันยังมีความพากันนุ่งผ้าลักถิ่นห้าหมูมันเห็นที่ไรพากันวิ่ง มากัพ่พากันมาหนหึงภาถือชิห้าไหวประพุทธสาบไหวสักกระบูชาเขาลกนับถือจึง็นคนไคยอันตระลายศาสนาพุทธเจ้าพุทธมุตโลสัตะตะโลองนั้นราบฟางอจลกษะเด็กขาดหายหมดเลยโยไม่มีเลยนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก ในการทุกคนความเห็นผิดอย่างนี้อันนี้ปแปล ว, ว่ามูอจิรกาคนจากวิบากกรรมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จะถึงว่าโลกหน้าแบบนี้แลกมันมีชรรมั้นนี้แล้วมันมีทํานั่นตายแล้วกันนาทีมันต้องไปนรลกอีกอย่างเนึ่งนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกเดี๋ยวนี้ตัวของเรานังชุดตัดการฝัง ได้ปัญญาให้รู้จักสวัว่าในความคิดตะให้คนจนของต้นกับผิดผาดถือว่าโลกหน้าไม่มีไม่เห็นมีอะไรที่อะไรทุกอย่างพระคิดก็ยกประทิดพระจันท์ที่ยาอนพระจันทร์อย่างดาวก็ยุ่อย่างนะี้ลินะฟ้าอากาศอยู่อย่างนี้บุคคลผู้ฟังแล้วผู้ตั้งใจแล้วเจริญพรนาพร น, นามันยักปัญญา ปัญญาในรับความสว่างไล่ความมืดหีออกจากใจของตนใจตั้งแล้วใจมีลัศมีสว่างสวง่างจึงรู้จักเปรู้จักขีรู้จักนรกรู้จักตวรู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักความดีชัว่วรู้จักบุญบาประกามไรดั่ อันนี้เพาเรว่าเป็นปัญญาที่ไม่ทิดพลเป็นปัญญาที่ถูกต่ดเป็นปัญญาที่ดําเนินเดินไปต่อสูม่มต่อสู่มผลผัก น, นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกเดี๋ยวนี้ตัวของพกเรามัอนมืดไม่เห็นว่ามาจากที่ไหนมาเกิดหรือจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ไม่รู้คนนั้นตายแล้วก็เงียบคนนี้ตายแล้วก็เงียบ ไม่รู้ใดๆครั้งนั้นอั น, นี้ปแปล ว, ว่าคือความมืดความมืดตัวนี้คือความชั่วของพวกเราเราไม่พักไปในวันดิตประการใดเหมือนความันแม่พ่ทิโตมันไม่ได้ไปลงน้ำใส่ร่างกายมันไม่สะอาดมีให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนในชีวิตวันเดี๋ยวนี้ เป็นมนุษย์แล้วหน้าที่เราควรจะได้ไปสู่สวรรค์เพราะที่นี่พบ ว, ว่าศาสนาของพุทธพุทธองค์ที่ได้วางเขาศาสนาไว้ไม่ใช่วางไว้เพื่อเกิประโยชน์พุทธองค์เห็นแล้วเทวดาทั้งหลายนี่จะ ก, กวาดในใจเปรตทั้งหลายนี่จะกวาดในใจมนุษย์ทั้งหลายในโลกตัวที่มีนิสัยมีปัจจัยเขาเกิดมาแล้วเขาเด้ดฝักไป เขาได้รับผลความดีได้ไประสูความสุขจะได้พบว่าองคุณในเจ้าอีกต่อไปไปต่อหน้าเมื่อพบว่าคุณในเจ้าแล้วอันนั้นรักษณะสมบุญกุศลได้มากที่สุดให้เราทุกคนจงคิดนึกพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้สําเร็จมรรคผลโตของธรรมใน่านพุตติเจ้ามาแล้วจักกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านทุตระจึงได้ชัยชนะชิงความชั่วในใจได้สําเร็จมรรคผล เขามาสำเร็จแล้วหมดทุกเขามาสําเร็จแล้วหมดจากการที่จะตายอีกต่อไปเขามาสําเร็จว่าหมดแล้วในการที่จะเกิดอีกต่อไปเป็นองค์พระธรรมที่บริสุทธิ์วิรศนิสว่างสวัยสิ่งนี้นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตั้งใจสะสมความดีของตนในชีวิตนี้เก็บเล็กผสมน้อยเอากันไปจนตลอดไป เราทุกๆคนนั่นเองจึงจะได้พบปะผู้เด็เจ้าต่อมาไปกันมาเพราะฉะนั้นที่อาจจะมาได้แสดงในชุดสุสัมรสติปัญญาการฟังด้วยดมีปัญญาเพิ่มเติมในชีวิตของตนแก้ไขความลุ่มหลงงม ง, งายของตนในชีวิตวัตนนี้ที่อาจจะมาได้แสดงมาพอสมควรกับกะละทีละ อีวังโกมีด้วยปากาละเจนอายวัฏโกทนาวัฏโกสิวัฏโกยะวัฏโกปลวัฏโกวรณวัฏโกสุกวัฏโกโหตุสัะทาอายวัฏกาทนวัฏกาสิวัฏกายะวัฏกาปลวัฏกาวันวัฏกาสุกวัฏกาโหตุสัปปะทาอ่าตั้งใจสนอยุทธิหาปกิจลอาตาสิเมอาาสิเมยะสิเมตาเจ้าจ้เม เปตานังทัสสนาตตาภูติกัตตามนุสละมนาหินุนาวาโสกวชาวัญญาปิเทวนาณตังเตตานมัทธยะเปวังสิทันทิยาเตโยเนยันตะโคตะินาินาสังกมิปะตติปิตาปิตาลังมิตายาสานาโสปะกัสสิโสติสมมจะอยังสาธิตโตเตตานักุัพตะตะะกนลาบลังจาปุตุอุปนิลังสุงเฮหิคุยังปุตสังนนภักคันติบวตุชาปมังกะลัง ลักธรรุคือสัพพะเตตทวตาสัพพะปุธาสัพพะธรรมาสัพพะสังฆานุภาวีนะแต่ชาชโยทีกวันตุเต